เรื่องเล่าผีหลอนตอนห้องนอนมอรณะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณกรองได้เล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ขนหัวลุกจากห้องนอนผีแขวนคอซึ่งเหตุการณ์นี้ได้ผ่านมา ก, กว่าแปปีแล้วครับแต่คุณกรองบอกว่าชาตินี้เธอไม่มีวันลืมได้อย่างแน่นอน เหตุการณ์นี้มีอยู่ว่าตอนนั้นฉันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสองและเป็นเด็กกิจกรรมก็เลยมีเพื่อนฝูงเยอะแยะแต่เพื่อนที่สนิทกันจริงๆก็มีเพียงไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคือปิน่นซึ่งคนอื่นอาจจะมองว่าหล่อนออกจะเพี้ยนๆพิกลแต่สำหรับฉันหล่อนเป็นเพื่อนที่ดีมาก มีน้ำใจและน่าสงสารเพราะปิน่นเพึงสูญเสียพี่สาวสุดที่รักไปได้เพียงไม่นานโดยสาเหตุที่น่าสลดใจมากเลยทีเดียวพี่ปูพี่ของปิน่นอายุเข้าเบญจเพศตอนที่เกิดเรื่องสยองขวัญ น, นั้นพี่ปูพี่ของปิน่นอายุเข้าเบญจเพศพอดีคนในครอบครัวของปิน่น ถ้าจะมีใครสักคนที่ดูเพียเพ้ยนๆก็คงจะเป็นพี่ปูนี่แหละไม่ใช่ปินหรอกเพราะพี่ปูต้องไปหาหมอและกินยาเป็นประจำห้ามหยุดเด็ดขาดปินเล่าว่าหมอบอกว่าพี่ปูเป็นโรคซึมเศร้าและเมื่อฟังอาการแล้วฉันคิดว่าเธอน่าจะเป็นโรคไบโพล่าคืออารมณ์แปรปรวน เวียงไปเวียงมาแบบสุดขั้วคือเดี๋ยวก็เศรา้าเครียดหดหูเดี๋ยวก็ร่าเริงสุดขีดนอกจากนั้นยังเป็นคนขี้ระแวงแบบไม่มีเหตุผลบางทีก็เดือดดานผ่านทะเลาะกับพ่อแม่อย่างรุนแรงแทบบ้านแตกแต่ถึงกระนั้นพี่ปู่ก็ยังรักน้องปิ่นมาก ไม่แต่ต้องหรือพูดจาอะไรให้เสียใจเลยอยู่มาวันหนึ่งพี่ปูผูคอตายในห้องนอนของเธอเองไม่มีใครรู้จนถึงเวลาบ่ายแก่แก่แม่ต้องให้คนในบ้านมาช่วยกันงัดประตูเข้าไปแล้วก็พบว่าพี่ปูผูกคออยู่ในตู้เสื้อผ้าใบหน้าที่เคยสวยงามน่ารัก กลับบวมพองเขียวคล้ำดวงตาถลนออกมาและลิ้นสีดำจุกปากอย่างน่ากลัวที่สุดปิ่นก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ฆ่าตัวตายไปวันนั้นพี่ปูก็สิงอยู่ในห้องตลอดไม่ยอมไปผุดไปเกิดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปสิห้องนั้นจะเย็นยเยือกทั้งๆ ท, ที่อากาศร้อนอบอ้าวและเรา ก็ไม่ได้เปิดแอร์ด้วยแม่ก็ได้นิมนต์พระมาทําบุญที่บ้านแล้วแต่ปิ่นว่าวิญญาณพี่ปูยังไม่สงบพวกเราในบ้านไม่เคยถูกผีพี่ปูหลอกแต่คนในซอยที่เขาลือกันแซดว่าเห็นพี่ปูยืนอยู่ตรงหน้าต่างเราที่นั่งวงล้อมกันฟังอยู่ต่างมองหน้ากันอย่างเสียวสยองแต่ก็ยังมีคนบ้าบ้าอย่างฉัน นึกอยากลองของไปดูในห้องนั้นว่ามันจะเยือกเย็นอย่างประหลาดจริงอย่างที่ปิ่นโมหรือเปล่าแล้ววันหนึ่งที่เราเลิกเรียนตอนบ่ายเราก็ไปที่บ้านของปิ่นกันโดยที่มีตัวฉันกับเพื่อนอีกสี่คนบอกตรงๆว่าฉันเองนะ่ะนั่งคนลุกไปตลอดทางพอไปถึงบ้านปิน่นเราก็ไปสวัสดีคุณแม่ ที่กำลังเตรียมทำกับข้าวจากนั้นปินก็บอกกับคุณแม่ว่าจะพาเพื่อนๆไปคุยบนห้องห้องของปินติดกับห้องพี่ปูและที่หน้าห้องพี่ปูก็มีผ้ายันปิดไว้เห็นแล้วเสียวสลังว่าปินบอกให้เราเงียบๆขณะผลักประตูเข้าไป ลมเย็นกลิ่นหอมเอียนเอียนเหมือนดอกไม้แห้งโชวยวูบออกมาและเมื่อก้าวเข้าไปอยู่ในห้องเราทุกคนก็รู้สึกเย็นแปลกๆขณะที่เพื่อนๆกำลังซึมซับความเสียวสยองฉันก็มองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งตรงมุมห้องร่างของเธอผอมบางผิวมืดๆเป็นสีม่วงคล้ำทั้งตัว ผมยาวประบาสวมเสื้อยืดลึกลับที่ฉันแน่ใจว่าคือพี่ปูลอยวูบเข้ามาหามายืนอยู่ข้างหลังขณะที่ตกใจและช่วยตัวเองไม่ได้นั้นฉันรู้สึกอึดอัดเหมือนมีอะไรมารัดคอไว้จนแน่นหายใจไม่เข้าและเอามือตะกุยที่ลำคอในความรู้สึกครึ่งๆกลางๆนั้น เพื่อนๆร้องวิทย์ไว้ชุลมุนต่างตะโกนว่าผีเข้าผีเข้าแม่ของปินก็วิ่งโครมโครมขึ้นบันไดามากับคนรับใช้และเมื่อแม่ของปินประคองฉันก็ปรากฏว่าฉันร้องไห้โหออกมาโดยที่มันไม่ใช่ตัวของฉันเลยฉันร้องแบบคนหายใจไม่ออก และพร่ำขอโทษแม่เสียงที่ออกมาจากลําคอของฉันก็ไม่ใช่เสียงตัวฉันเองสักหน่อยฉันพูดและทําอาการกิริยาต่างๆตามที่วิญญาณพี่ปูให้ทําแทนเธอฉันเป็นแค่หุ่นกระบอกที่มีผีพี่ปูคอยชักใยอยู่เบื้องหลังพี่ปูพูดอะไรต่อมีอะไรมากมายฉันเหนื่อยเหลือเกิน แล้วสติก็ดับวูบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งฉันอยู่ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านปินแถวแถวลาดพร้าวไม่ต้องมีใครเล่าซ้ำฉันก็รู้ว่าตัวเองโดนผีเข้าเพราะตลอดเวลาของการเข้าสิงฉันรู้สึกตัวตลอดสํำร้ายยังมองเห็นผีพี่ปู่ด้วยนี่เอง ที่เรียกว่าผีเข้าผีพี่ปูไม่ได้เข้ามาอยู่ในร่างฉันเธออยู่ใกล้และครอบงำฉันอย่างสมบูรณ์ดูเหมือนการเข้าสิงให้ฉันเป็นร่างทรงในคราวนั้นจะทำให้เธอระบายความในใจจนหมดเปลือกและหายห่วงวิญญาณพี่ปูจึงไปสู่สุขติห้องนอนมรณนะไม่เยือกเย็นอีกต่อไป และไม่มีใครเห็นผีพี่ปูอีกเลยก็มีแต่คุณกรองนั่นแหละครับที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นยังผวาไม่หายและกลัวผียังฝังจิตฝังใจไปชั่วชีวิตเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆอย่าลืม